แต่ถ้าเป็นทั่วๆไปนะที่เราสวดธรรมวชิราใช่ไหมศาสตร์ทั้งสัพยัญชนะเกวลัลปริปุนังปริสุทธังบรัมจริยังประกาศเสสเนี่ยนะทรงประกา ศ, รกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติพรหมจรรย์อันนั้นหมายถึงสิกขาสามและอริยมรรคประกาศพรหมจรรย์คือประกาศอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาพร้อมทั้งอริยมรรคบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยนะนี่ย้อนกลับมาในมหาสีหนาสูตรต่อที่ว่า ดูก่อนสารีบุทเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์คือการทําความเพียรประกอบทุกข ะ, ระกิริยาที่ประกอบไปด้วยองค์สี่คือเราเป็นผู้บําเพ็ญตบะเยี่ยมกว่าผู้บําเพ็ญตบะทั้งหลายเราเป็นผู้ประพฤติเศร้ามองและเยี่ยมกว่าผู้ประพฤติเศร้ามองทั้งหลายเราเป็นผู้เกลียดบาปและเป็นเยี่ยมกว่าผู้เกลียดบาปทั้งหลายเราเป็นผู้สงัดและเยี่ยมกว่าผู้สงัดทั้งหลายเพราะฉะนั้นสุดยอดแล้งงั้นเถอะ ไอ้ที่ท่านพูดถึงที่ท่านเชื่อว่ามันดีๆเนี่ยเราไปทํามาหมดแลยให้อปรมาณ น, นั้นนะอธิบายเป็นตัวอย่างว่าดูก่อนสารีบุตรบรรดาพรหมจันทร์มีองค์สี่นั้นวัดต่อไปนี้คือทุกขะระกิริยาต่อไปนี้เนี่ยเป็นพรหมจันทร์เป็นสิ่งที่ทําได้ยากของเราโดยความที่เราเป็นผู้บําเพ็ญตบะเราเนี่ยนะเป็นอจีละกะท่านบอกว่าเรื่องนี้เมื่อเก้าสิบเอ็ดกาบโน่นเน่ยนะ พระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เคยเป็นนักบวชอาเจละกะอาเจลกผู้บวชแล้วนุ่งหม่มนุ่งห่มลมอากาศเนี่ยนะเรียกว่านุ่งนุ่งลมห่มอากาศอยู่นั่นแหละก็แปลว่านักบวชแก้ผ้าว่างั้นนี่ยเป็นคนเปลือยไร้มารยาทไม่มีธรรมเนียมของชาวโลกเลยไม่มีพฤติกรรมของมนุษย์มนาอะไรเลยเนี่ยนะทําตัวเรียนแบบเดรัจฉานว่างั้นเนี่ยเรียกว่าไร้มารยาทแปลว่าไม่มีมารยาทของคนเลยว่างั้น ไม่มีมารยาทของของความเป็นมนุษย์อะไรเลยใช้ชีวิตเช่นเดียรฉันเพราะฉะนั้น น, นุ่งลมห่มอากาศนี่มันมนุษย์ทั่วไปเอาไม่ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยได้ว่าไม่มีมารยาทของชาวโลกเรียมืออถ้ามือไม่สะอาดแล้วเรียมือก็ทำไงเนี่ยมันในขณะเดียวกันในเรื่องอาหารนะเขาเชิญให้มารับพิกษาก่อใหม่มาเชิญให้หยุดก็ม่หยุดไม่หยุด ไม่ยินดีรับพิษาที่เขานํามาให้ไม่ยินดีพิษาที่เขาทําเฉพาะไม่ยินดีพิกษาที่เขานิมนต์เชิญให้ไปฉันก็ไม่เอานะเรื่องมากมากไอ้ลัฐที่อันเนี้ยเพราะพวกนี้เขาถือความบริสุทธิ์พิเศษที่ว่ามันคิดได้ไงไม่ทราบทฤษฎีเหล่านี้ไม่รู้คิดกันได้ยังไงแต่ว่าคนแขกเขาทํากันนะเรานั้นไม่รับพิกษาปากหม้อไม่รับพิกษาจากหม้อข้าวไม่รับพิษาที่บุรุษ ที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูให้ไม่รั บ, บ, รรร บ, บรรพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้ให้ไม่รับพิษาที่บุคคลยืนคร่อมศากให้ไม่รับพิษาที่บุคคลสองคนกําลังบริโภคอยู่ถ้ากําลังกินข้าวอยู่ยกอาหารมาให้ก็ไม่เอาไม่รับภิกษาของห ญ, ญิงมีคันไม่รับพิษาของห ญ, ญิงผู้กําลังให้ลูกดูดนมไม่รับพิษาของห ญ, ญิงผู้กําลังคลอกเคลียกับบุรุษไม่รับพิษาที่นับเนะกันแล้วทํามาให้ วางแผนร่วมกันทำมาเขาไม่เอาไม่รับพิกษาในที่สุนัขที่ที่ไหนกำลังให้อาหารสุนักอยู่นะมีคนเอาอาหารมาให้ก็ไม่รับไม่รับพิษาในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆนี่นักมังสวิรัตินิยมไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์เลยสุราก็ไม่ดื่มเมรัยก็ไม่ดื่มยาดองไม่ดื่มทั้งนั้นแหละ ใช้ชีวิตยังไงล่ะเขาใช้ชีวิตรับภิกษาที่เรือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคําเดียวรับหนึ่งบ้านกินไม่เกินหนึ่งคำไม่รู้คําเล็กหรือคําใหญ่ไม่ทราบนะแต่ต้งสช้คำแค่คําแบบข้าวไข่ๆเงี้ยนะรับภิกษาที่เรือนสองหลังก็เอาสองคำกระฟอนรับเจ็ดหลังกินเจ็ดคำเยียวยาอัตภาพด้วยถาดใบน้อยใบเดียวบางถาดใบน้อยอ่ะคล้ายๆขนมอะไรนะไอ้ขนมแบบ ถ้วยเล็กๆอ่ะถ้วยถวยที่แบบคล้าว่าเส้นนะนะถ้วยเครื่องเส้นอ่ะขนมแบบเล็กๆอ่ะนะแบบเยลลี่อ่ะเล็กๆไงนะถ้วยเล็กๆอ่ะถาดน้อยๆอ่ะบางทีก็วันหนึ่งใช้ชีวิตอ่ะเจ็ดถ้วยอย่างนั้นอ่ะบางบางทีก็เก็บอาหารค้างคืนกินบ้างบางทีเก็บค้างคืนเจ็ดวันนั่นแหละเอามากินบางทีบางทีก็ค้างคืนวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเอามากินเนี่ยนะเป็นผู้ประกอบด้วยความขวนขวายในการบริโภคอาหาร ที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้างแปลว่าเก็บไว้เจ็ดอ่าครึ่งเดือนแล้วค่อยเอามากินอันนี้นี่รายละเอียดเรื่องนี้เมื่อเก้าสิบเอ็ดกับที่พระองค์เคยไปทํามาคือลับที่ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ไปทํามาหมดแล้วถ้าเป็นพระอาหารหันทรับที่เหล่านั้นอ่ะมันเป็นมานานแล้วละเชียวว่างานพระองค์เคยทํามาแล้วอ่ะพันทัศนทฤษฎีกินข้าวบูดพระองค์ก็ไปกินมาแล้วมันไม่บรรลุเพราะข้าวบูดนะ ไม่บรรลุเพราะเนี่ยเพราะมังสวิรัตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือมากินเล็กกินน้อยกินถ้วยใบเดียวบ้านหลังเดียวกินคําเดียวเป็นต้นเนี่ยถ้ามันจะได้ดีเพราะอย่างนั้นได้ดีมานานแล้วหรือจะได้ดีเพราะกินข้าวมีผักดองเป็นผักสาบางทีก็กินแต่ข้าวฟัางบางทีก็กินแต่ลูกเดือยบางทีกินแต่กากาข้าวกากข้าวเป็นยไงบางทีก็มียางนะยางไม้ยางผลไม้เนี่ยเป็นผักสาบางทีก็กินแต่สาหราย นะพวกนักสาหร่ายใช่กินสาหร่ายเนี่ยนะก็สาหร่ายก็กินบางทีก็มีแต่รำเป็นผักษาบางทีก็มีแต่ข้าวตังเป็นผักษาบางทีก็กินแต่กัมยานกินลงในหรือกรมยานนะบางทีก็กินหญ้าเป็นผักษาเป็นมนุษย์นะบางทีก็กินขี้วัวโคไมเป็นผักษาบางทีก็มีเงาไม้บ้างผลไม้ในป่าบ้างเป็นผักษาบริโภคผลไม้ที่หล่นเนี่ยเก็บแต่ผลไม้อย่างเดียวกินเป็นผักษา ท่านบอกว่าถ้าจะบรรลุจะได้ดีนี้บรรลุมาได้ดีมาแล้วในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารมีอาหารชิริทไหนบ้างที่ไม่เคยรับประทานถ้าจะได้ดีเพราะอาหารเหล่านั้นได้ดีมานานแล้วอันนี้เครื่องนุ่งห่มบ้างอใครจะปอนๆเท่านี้เอาอีกแล้วนั่นไหมทรงผ้าป่านบ้างผ้าแกมบ้างผ้าหอ่อศพผ้าบัางสกุลผ้าเปลือกไม้บางทีก็ใช้หนังเสือนังหนังเสือทั้งเล็บคิดดูนะแคบกระสอบป่านเรายังนุ่งยากเอาหนังเสือมาห่มนี่มันจะเป็นยังไง มจะขูุขาขนาดไหนเนี่ยนะมันไม่ได้นิ่มอะไรเหมือนผ้าไหมอะไรที่ไหนใช่ไหม น, นั่นห่มหนังเสือเนี่ยโอ้เดือดร้อนนะหนังสือทั้งเล็บผ้าคากรองผ้าปออนะผ้าที่เอาผลไม้เนี่ยมาถักผ้ากำพลที่ทําด้วยเอาผมเนี่ยมาถักเป็นผ้าเอาขนสัตว์เนี่ยมาถักเป็นผ้าเอาปีกนกเ้าเนี่ยมาถักเป็นผ้าเอาปีกนกมาทําเป็นผ้านุ่งเนี่ยแม่อ๋อลึกซึ่งนะนี่ย สงสัยสมัยนี้สงสัยนับถือกันบานเลยนะอรหันต์แน่นอนแหะแต่พระองค์บอกว่าไม่ใช่หรอกถ้ามันได้ดีมันได้ดีไปแล้วแ่ะมันไม่ใช่ทางรักแบบนั้นพอไอ้พระพองค์เคยไปลองทํามาเนี่ยนะเรียกว่าลองใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยลงทุนทามาแล้วในสังสารวัตรแบบนั้นถอนผมและหนวดคือประกอบความขวนขวายใช้เรียกว่าใช้วิถีชีวิตแต่ละวันเนี่ยนั่งถอนผมถอนหนวดอยู่นั่นแหละค่อยๆนั่งถอนไปได้ดีๆได้ดีเกี่วเรื่องถอนผมถอนหนวดแบบนั้น บางทีก็ยืนถือวัดในการยืนไม่นั่งเลยเนี่ยนะยืนอย่างเดียว เ, ยนะเพราะฉะนั้นยืนทั้งชาติปยืนตลอดชาติก็มีบางทีก็ใช้วิธีกระโยงประกอบความเพียรในการกระโยงมันมันเวลาเหยียบจะไม่เหยียบเต็มเท้านะอาจจะไม่รู้ว่าเอาเอาเอ า, เอ า, เอาปลายนิ้วหรือเอาทางส้นขึ้นนะะแต่ว่าน่าจะเอาทางปลายนิ้วลงมากกว่านะก็เดินก็แบบคนพิการอ่นะเรียกว่าใช้ชีวิตแบบคนพิการทําแบบนั้นมาแล้ว หรือนอนบนหนามนะเตียงคืออะไรก็เอาพวกหนามมาวางวางแล้วก็นอนหรือประกอบความเพียรในการอาบน้ําล้างบาบวันละสามครั้งอะนนนะผุดเรียกว่ามุดลงผุดขึ้นมุดลงผุดขึ้นก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าจะได้ดีเพราะล้างอาบน้ําล้างบาบได้นี่ก็ได้ดีไปแล้วอนะประกอบความขวนขวายในการย่างและก็บ่มกายมีประการไม่ใช่น้อยหมายถึงว่าอาบน้ําเสร็จเตะ ลุกขึ้นมาก็มาย่างพิงอย่างนีน้แล้วก็ลงไปอาบใหม่แล้วก็พิง้งแล้วก็มาอบตัวเป็นต้นเนี่ยด้วยประการชนิดดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นพรหมจรรย์ของเราโดยความที่เราเป็นผู้บำเพ็ญตะบะเพราะฉะนั้นนักตะบะที่เรียกว่าแม่ย่างกิเลสเนี่ยแต่สําเร็จไหม ย, ย่างเสร็จไหมไม่สําเร็จตายฟรีไปแล้วไม่รู้กี่ชาติอย่าว่าฟรีธรรมดานะเพื่อนบาปมาอีกบัญหาเหมือนกัน แต่ดีว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีปัญญานะท่านทําถึงที่สุดท่านก็รู้ว่าไม่มีสาระท่านก็ทิ้งไปนะแต่ถ้าหากว่าอนุรักษ์นิยมก็เดือดร้อนแหละเหมือนกันดูก่อนสารีบทอันนี้นี่จบไปแล้วนะข้อแรกพรมมาจันว่าด้วยการบําเพ็ญตะบะทําสิ่งที่ทําได้ยากเนี่ยนะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าชาตินี้พระองค์ได้มาทําเช่นนี้นะไม่ชาติเนี้ยชาติสุดท้ายไม่ได้ทําแต่ที่ทําอย่างนี้เมื่อเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้ว ดูก่อนสารีบุตรบรรดาพรหมจันทร์มีองค์สี่นั้นพรหมจันทร์นี้เป็นวัดในการประพฤติเศร้าหมองของเราประพฤติแบบแม้แบบสุดยอดของนักเศร้าหมองเลยเนี่ยนะเศร้าหมองที่สุดเนี่ยทํำยังไงเพราะฉะนั้นมนทินคือทุลีละองสังสมในกายนับด้วยปีไม่ใช่น้อยจนเป็นสะเก็ดไม่เคยอาบน้ําเลยเป็นปีๆว่งนั้นเถอะเปรียบเหมือนตอตะโกว่ากันก็คือเคยเห็นต้นไม้ที่มันมีมีสะเก็ดไหม ต้นไม้ที่มันมีสเก็ต ต, ติดติดติดนั่นแหละร่างกายเนี่ยเป็นอย่างนั้นอ่ะออกสเก็ตออกเป็นคุยๆเลยอ่างนั้นอ่ะร่างกายนี่ออกเป็นคุยเลยไม่เคยอาบน้ําอ่ะเป็นปีๆเนี่ยไม่ยอมอาบน้ําเด็ดขาดเนยนะผมไม่ยอมเดินใกล้เด็ดขาดเนยนะเปรียบเหมือนตอตะโกมีธุลีสั่งสมนับด้วยปีไม่ใช่น้อยแปลว่าตลอดหลายปีไม่เคยอาบน้ําแล้วฝุ่นละอองเนี่ยเกาะกลังเต็มตัวไปหมดเลยนะเะไม่รู้ว่าสัตว์อื่นแปรสัยอยู่กี่ตัวไม่ทราบนะจนเป็นสเก็ต นนะจนเป็นสเก็ดชั้นใดมนทินคือธุลีละองสังสมในกายรับในกายของเรานับด้วยปีไม่ใช่น้อยจนเป็นสเก็ดชั้นนั้นเหมือนกันดูก่อนสารีบุตรเรามิได้คิดที่จะรูปคลําปัดละองธุลีนี้ด้วยฝ่ามือดูก่อนสารีบุตรความคิดแม้อย่างนี้ก็ไม่ได้มีแก่เราไม่เคยคิดจะปัดออกเลยนะมันจะสะสมมันจะเกาะกลังมันจะหนาเตะขนาดไหนมันจะเป็นเกล็ดเป็นขุยเหมือนเกล็ดงูแค่ไหน ไม่เคยแม้แต่ความคิดจะปัดออกเนยนะโอแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันเป็นหิดเต็มตัวไปหมดเลยมั้งเนาะคิดเรื่อนไม่ใช่มันไปคีดกลากเต็มตัวไปหมดเล้มั้งเนี่ยนะกำลังคิดอยงนีง้อันนี้เขาเรียกว่าวัดในความเศร้าหมองอยู่แบบชนิดที่เรียกว่าไม่เคยอาบน้ําเลยนะเลหลายพี่ด้วยแล้วก็ฝุ่นละอองเนี่ยเกาะเต็มตัวไปหมดอ่ะนะอันนี้เขาเรียกว่านักเศร้าหมองแบบนั้นนะ่ะสุดๆเลยนะดูก่อนสารีบท บรนดาพรหมจันทร์มีองค์สี่พรหมจันทร์ตัวนี้แปลว่าทุกขะกิริยาประกอบไปด้วยองค์สี่พรหมจันทร์นี้เป็นวัดในการเกลียดบาปของเราคนที่กลัวบาปที่สุดเนี่ยเอาเอาขนาดนี้ไหมแต่อันนี้กลัวบาปด้วยทิฏฐินะไม่ใช่กลัวบาปแบบฮิริโอตตะปะเรานั้นมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยกลับเอ็นความกรุณาของเราปรากฏเฉพาะแม้กระทั่งในหยดน้ําหยดน้ํานี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเราเ네นี่ยอย่าได้ล้างผานสัตว์เล็กๆที่อยู่ในที่อันไม่สม่ําเสมอเลยพวกนี้เขาเห็นก้อนดินก้อนหินก้อนกรวดเป็นสัตว์หมดนี่เขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องระวังเขาก็ค่อยเดินเขาค่อยย่องเดี๋ยวจะไปเหยียบสัตว์ให้เดือดร้อนเพราะมองเห็นก้อนหินก้อนอิฐก้อนกรวดมองเห็นหยดน้ําเนี่ยเป็นสัตว์หมดเพราะเขาจะไม่กิน น, น้ําเย็นเขาจะกินแต่น้ําร้อนอย่างเดียวเพราะเขาไม่บริโภคสัตว์เพราะเขาจะกินแต่น้ําร้อนก็ถือว่าน้ำเย็นเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาจะไม่กิน มันเนี่ย น, นี่เกรงกลัวบาปที่สุดเลยนะฮะนนี้กลัวบาปมากแต่มันนี่ไม่ใช่ของศาสนาเรานะของคนละศาสนาว่าแบบนี้พระองค์ก็เคยไปทํามาแล้วอ่ะนะที่สุนัขขัตะติฤชวีบุตรเชื่อถือศาสนานี้ว่าดีพระองค์ก็บอกว่าศาสนานี้พระองค์ก็ไปทํามาแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ดีจริงไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเลย อันั้นสิ่งที่ใครไปทําแบบทุกทํายากทําลําบากทําแบบเดือดร้อนอย่างไรก็ช่างเถอะถ้าไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั่นไม่ใช่หนทางนั่นไม่ใช่ข้อปฏิบัติเนี่ยนะสมัยใหม่เนี่ยพระภิกษุจํานวนไม่ใช่น้อยชอบไปกลับไปเรียนแบบเดียรถ์ถีทั้งที่อยู่ในคราบพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะสมัยใหม่เนี่ยเริ่มมีกันแล้วเลยนะ เริ่มมีกันแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยแพร่หลายบ้านเร า, ายังไม่ค่อยนับถือกันเนี่ยนะต่อไปอนาคตอาจจะนับถือมากขึ้นนะดูก่อนสารีบทพรหมจันทร์มีองค์สี่เหล่านี้พรหมจันทร์นี้เป็นวัดในความสงัดของเรานะาใกายที่บอกแมมนักวิเวกว่า ง, งั้นถึงเงียบสงัดเนี่ยนะกายวิเวกเรานั้นเข้าไปอาศัยชายปาแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ในการใด เราได้พบเห็นคนเลี้ยงโครหรือเลี้ยงปสัสสาว์หรือคนหาบยากคนหาฟืนคนเที่ยวหาผลไม้เป็นต้นในป่าเราก็จะออกจากชั้ไปสู่ชั้ออกจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มออกจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนพอเห็นคนปั๊บหนีเลยอย่างนั้นเลยยิ่งกับคนเผ่าป่านั้นกลัวคนมากเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นจะได้เห็นเราเลยและเราก็จะได้เห็นคนเหล่านั้น กลัวคนสุดๆวับนั้นเถอะไม่อยากเจอหน้าคนได้ข่าวว่าคนเรอะหนีลนะเ น, นะนี่ยนะหนีจนสมัยนี้ไม่รู้จะหนีไปตรงไหนนะแต่ถ้าสมัยนั้นก็ยังพอหนีได้นะปาลมเยอะ